อันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> และบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่รักตอนนี้ก็มาฟังเรื่องราวในท้องเรื่องของรนางสามาวดีแต่ว่าตอนนี้พยันพนางสามาวดีก็พักเข้าฉากไปชั่วคราวก็มาถึงประวัติของพนางมาคันดียาตัวร้ายในเรื่อง ก็านามมาคันธยายินทิแฟนกุรุอยู่ในแฟนกุรุมีพ่อชื่อว่ามาคันธิยาพราหมณ์มีแม่ชื่อว่ามาคันธิยาพราหมณีมาคันธยาพราหมณีตัวเธอเองก็ชื่อคันมาคันธยาเหมือนกันแล้วก็มีอาชื่อว่ามาคันธิยาพรามเหมือนกันรายกฏว่ามาคันธิยานี้เป็นคนสวยมาก ตามพระบาลีท่านบอกว่าสวยมากจะสวยขนาดไหนก็ไม่ทราบมีคนเขามาขอเรื่อยๆแต่ว่าบรรดาพระเจ้าพ่อไม่ตกลงว่าลูกสาวของเราสวยศักดิ์สิของคนที่มาขอไม่ดีพอจะรอคนที่มีศักดิ์ศรีดีสมกับศักดิ์ศรีผมกับความสวยของลูกสาว <c oughs> ต่อมาวันหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรอุผนิตสัยของสัตว์ก็เห็นพราหมสองคนคือมาคันธยาพราหมกับมาคันธิยาพรามณีสองคนนี้จะมีวาสนาบารมีบำเพ็ญบารมีเดิมมาดีแล้วว่าฟังเทศจบเดียวฟังเทศ ย, อย่อยจบเดียวเธอจะได้เป็นพระอนาคามีหลังจากนั้นบวชในสนักพระองค์สมเด็จพระจินทร์ี พ่อกับแม่คือมาคันธยพรามกับมาคันธิยาก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์ดันั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระพระเกวันจึงได้ทรงปด็จไปยืนอยู่แถวหลังบ้านใกล้ทางที่พรามจะออกไป <c oughs> วันนั้นคนดีพรามพ่อมาคันธิยพรามมีธุระออกนอกบ้านไปเจอองค์สมเด็จพระพิทักษมานมีรูปร่างหน้าตาสวย ยิงคิดว่าชายคนนี้ควนที่จะเป็นลูกเคยของเราสวยพอดิพีพอดีกับลูกสาวของเราถ้าเป็นสามีของเราจะมีศักดิ์ศรีมากยิงเข้าไปหาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้แต่เจ้าว่วาโพบริสะบุรุษผู้จเจริญเธอสวยงามส ง, ง่างจริงๆฉันมีลูกหญิงอยู่คนหนึ่งสวยมากไม่คู่ควคนอื่น แล้วถ้ากับเธอนี่คู่ควรกันจริงๆรออยู่ตรงนี้นะจะนําลูกหญิงมาเป็นพญายาของเธอว่าฟังตรงนี้แลว้วบรรดาพิสุทธิ์หนุ่มเท่างหลายและสมณี น, นและญาติโยมที่เป็นหนุ่มคิดแล้วก็เสียวใจนิดหนึ่งว่าถ้าเราดูนกันแบบนั้นเข้าใจะเป็นยังไงสําหรั บ, บพระเนรทั้งหลายน่ากลัวจีวรหายหมด ก็คนที่สุดี็จะถูกควายเขาอ่อนขิดพังไปตอานี้บังเอิญเป็นองค์สมเด็จพระจอมไตรซึ่งหมดกีเดจแล้วสมเด็จพระบัีฑิตแก้วฟังแล้วก็ไม่พูดอะไรก็เน่งเฉยไว้หลังจากนั้นพรามก็เข้ามาบ้านบอกนาะงพรรมณีว่า น, นี่ยายแต่งตัวลูกสาวเร็วๆนะฉันไปเจอลูกเขยลูปหล่อแล้วมันสวยจริงๆสมกลูกสาวของเรา เมื่อพระมเดินกลับเข้ามาพระ อ, องค์สมเด็จพระสัมมาทัมมติเจ้าก็ทรงแสดงลอยเรยาะบา ท, ที่เขาเรียกว่าเจดีซึ่งมีกองจากลูกสิงลูกอะไรเป็นต้นให้ปรากฏกับใรกกบให้ปรากฏลอยอยู่แล้วสมเด็จพรมรมคูก็หลีกไปอยู่ใกล้ๆแล้วบันดาลให้พระมไม่เห็นตัว <c oughs> <c oughs> เมื่อพระมณนนีแต่งตัวลูกสาวแล้วจะไม่มอบให้นุม ออกมาแล้วท่านตาไม่เห็นหน่มหาเท่าไรก็มองไม่เห็นเพราะพระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานให้ไม่เห็นองค์ท่านในตอนนั้นนางพระมณีมองไปมองมาเห็นรอยเท้าเขานางจบไตรเพศมีความฉลาดในการดูรอยเท้าดูแล้วก็พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรอยเท้าของคนที่ไม่มีกิเลสไม่ไม่คู่คนรกการคลองเลือน <c oughs> ยังบอกกับท่านตาว่าตา รอยเท้าคนนี้ไม่มีการคลองเดินแล้วว่าคนที่มีราคาจริตหนักในราคะหนักในความรักเขาจะมีอุ้งเท้าโบขึ้นถ้าหนักในโทสะเขาจะมีรอยเท้าด้านซนลึกลงเพหนักในทา ง, ต, ง, ต, ง, ต, งต้องส้นเท้า <c oughs> แต่คนที่มีโมหะจะหนักในด้านปลายเท้าแต่ไม่รอยเท้าของคนคนนี้เรียบเสมอกันหมด แสดงว่าเป็นคนไม่มีกิเลสพระองค์สมเด็จพระบรมโลกาเชตเห็นว่านางพรามณีรู้ทันเท่าทันอย่างนั้นก็แสดงพระองหยปรากฏตาพรามก็บอกนี่ยังไงล่ะนี่ยังไงล่ะคนนี้ยังไงล่ะที่ฉันบอกว่าจะเป็นลูกเขยจันจริงเขายัางจะจุงมื อ, อยังได้จุงมือของ นางมาคณียาลูกสาวจะมามอบให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วเขาก็บอกว่านี่บุรุษผู้เจริญลูกสาวของฉันคนนี้เนี่ยมันสวยแสนสวยพระราชาเอ่ยสมัยข ร, ราได้บริพันเอ่ยเศรษฐีมหาเศรษฐีเอ่ยต่างคนต่างก็มาขอกันทุกคนแต่ว่าฉันไม่ ใ, ใครว่ามมีมันมีศักดิ์ศรีสู้ลูกสาวฉันไม่ได้ แต่ว่าในตอนนี้เธอเป็นคนสวยจริงๆดูแล้วตั้งแต่เท้าถึงหัวตั้งแต่หัวถึงเท้าส่วนสัตว์ดีมากผิวพัยก็สวยงามผุดผ่องสมที่จะเป็นสามีของลูกสาวเราท่านจงรับลูกสาวของเราไปเป็นพัญยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป <c oughs> มาองค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศาสัสญา มีความปรารถนาจะสรงครพรามสองคนผัวเมียยังได้ทรงตรัสกับพรา ม, มาพรามตถาถายคตมออกสูพ่พิเนศกรมวันที่จะบรรลุอเบเิกสัมมาสัมโพธิญาณลูกสาวของพยามาราธิราชที่มีนามว่านางตันหานางราคานางอรดี ซึ่งเป็นนางฟ้าสวรรค์ชั้นที่หกมีความงามการุษาวของท่านมากเรายังไม่มีความต้องการกร็ูุษาวของท่านนี้แม้จะมีมีความงามในฐานะเป็นมนุษย์ก็จริงแหละแต่ถืว่า <c oughs> ความงามของนางจะไม่ทนนานอายุมากไปเท่าไรความแก่เท่าก็ครอบงมเข้าไปมากแต่นั้นความเศร้ามองก็จะแปรกฎภายนอก ในที่สุดผิวพรรณที่ผ่องใสก็จะกลายเป็นผิวพรรณหม่นห ม, หมองร่างกายที่มีความสวยสวยงามก็จะทรมไปทีละน้อยแต่น้อยถึงวัยกลางคนความงามก็จะสลายไปเหลือเมล็ดน้อยถึงวัยแก่หนังก็จะย่นไอความงามก็จะไม่ปรากฏความที่เป็นคนสวยสุดงามจะสลายตัวไป <c oughs> ได้ยิ่งไปกว่านั้น ร่างกายลูกสาของเธอเต็มปร้วยมูตแการีติมูดคือปัสสวะการีตคืออุจาระฉะนั้นในเมื่อร่างกายรูกสาของเธอแตกต่างกับนางตันหานางราคาณาอารดีเพราะนา ง, นนางตันหานางราคานาอารดีนั้นร่างกายเต็มไปด้วยความสวยสุดงดงามเพราะเป็นนามธรรมา ไม่มีเหงือไม่มีใครไม่มีน้ำเลือดไมันน้ำเหลืองน้ำหนองไม่มีอุจาระไม่มีปัสสาวะในกายตถาคตยังไม่ต้องการและจ้องต้องการอะไรกับลูกสาของท่านที่เต็มด้านกายเต็มไปด้ว ย, ยอุจาระปัสสาวะความจริงจะว่าให้อัตถาคตเอามาประคับประคองเป็นพัญญาเลยเวลานี้ถึงแม้แต่เท่าของตถาคตก็ยังไม่อยากจะแตะ ร่างกายลูกสาวของท่านเลย อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพียงเท่านี้มาคันดียามีความโกรธอดดยู่ในใจคิดว่าบุรุษผู้นี้ดีแล้ววันหน้าถ้าเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ถ้ามีสามีที่มีศักดิ์ศรีมีอํานาจวาสนาจะได้รู้จักว่าวาจาที่ท่านกล่าวเนี่ยมันจะเป็นภัยแก่ท่านเพียงใด นางสร้างความเจ็บใจไว้ภายในแต่เทาว่าพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัณ์สดาต ร, ารัสอย่างนั้นท่านพราหมณ์สองคนคือพราหมณ์ผัวก็ดีพราหมณ์เมียก็ดีฟังบาท่าขององสมเด็จพระจินศสีทรงตรัสแตเพียงโดยย่อจิกตก็นึกวิปฏิสารหรือว่ามีความสะ ด, ดใจว่าโอนนอ เรานี่มีความเข้าใจเรานี่มีความหลงผิดอยู่มากที่ติดอยู่ในสรีร่ากายคิดว่าร่างกายของเราดีคิดว่าร่างกายของบุคคลอื่นดีการที่เราจะแต่งงานกันนี้ก็เพราะอาศัยว่ารูปกายในสมัยก่อนมีความสง่าผ่าเผยมีความสวยสดงดงามแต่ถ้าว่าเวลานี้เราทั้งสองกลายไปคุณแก่ หูก็ฝาตาก็ฟังหนังก็ยน่นฟันก็ทนจะไม่ไหวมันจะหักหมดผมก็งอกร่างกายก็ทรุดโทรมมองดูตรงไหนก็หาความดีไม่ได้หาความสวยสดงามแม้แต่น้อยหนึ่งไม่ได้ตาคิดว่ายายพรามณีคนนี้เมื่อเป็นสาวเรานั่งฝันเรานอนฝันคิดถึงเธออยู่เสมอจึงได้เกิดการแต่งงานกันเพราะมีความคิดว่าเธอสวยสดก็งาม เป็นที่น่ารักแต่เวลานี้ความสวยสดงดงามของยายไม่มีแล้ว <c oughs> ตรงตามที่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงตรัสทุกประการสําหรับยายก็เช่นเดียวกันคิดว่าตาของเรานี้เ็นสมัยเป็นหนุ่มก็ร่างกายสมาร์ทสวยสดงามมีสงาา่าผ่าเผยเป็นคนมีความฉลาดเฉลียว เป็นที่ต้องตาต้องใจของเราจึงอยากได้มาเป็นสามีแต่เวลานี้ร่างกายของคุณตายของเรานี่เหมือนกับผีเด็บเดินได้และตาตั้งสองก็คิดว่าภายในของร่างกายในเมื่อภายนอกมันเหี่ยวหออย่างนี้ <c oughs> หมดความดีไม่น่าจะชมความส่วนนิยมภายนอกไม่เหลือแต่มองเข้าไปดูภายในนึกไปตามที่ถ้อยคำขององค์สมเด็จพระจอมใจทรงดำริ สรงตรัสก็เห็นผลบร่างกายของคนของเราก็ดีของเขาก็ดีภายในเต็มไปด้วยเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปด้วยจาระดะปัสวะความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หลั่งไหลออกมาเราเห็นเป็นปกติแต่เราก็ไม่ได้เคยคิดมันอาหารที่เราจะกินเข้าไป อาหารที่เราจะกินเข้าไปนั้นเราเลือกแล้วเลื อ, อกอีกว่าเป็นของดีแต่ว่าเวลาอาหารถูกถูกถ่ายออกมานี้ที่เราเรียกออกันว่าอุจาระเรื่ น, น้ําที่ถ่ายออกมานี้ที่เรียกกันว่าปัสสาวะเป็นน้ําที่เราเลือกแล้วว่าจะกินเป็นน้ําสะอาดบริสุทธิ์พราถ่ายออกมาเราเองก็มีความเังเกียรอุจาระออกมาเราก็มีความเังเกียรนี่ความจริงเราเข้าใจผิดมานาน เวลานี้องค์สมเด็จพระพิตตมานรปมัสสะสันดาส ม, ม า, าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เราเข้าใจ <c oughs> เหมือนกับพระองค์หายของที่ความขึ้นมารับทงข้างให้มีความชุ่มชื่นชั้นใดเมื่อคิดอย่างนี้กำลังใจของพรามอสองขึ้มาคันธิยาพรามก็มาคันธิยาพรามมณีก็ได้บรรลุอันพรอนาคา ม, มีในขณะนั้นและภายหลัง แล้วองค์สมเด็จพระพุทธกัวันทรงสำเด็จกลับไปแล้วเขาดังสองมีความปรารถนาจะติดตามองค์สมเด็จพระไปที่แก้วเพื่อไปบวชแต่ว่าก่อนจะไปก็ยังห่วงลูกสาวยุนิดหนึ่งเพราะเธอต้องอยู่คนเดียวจึงไปมอบไว้ให้กับน้องชายของเขาทัมมาคันมาคันธยพรามก็ชื่อว่ามาคันธยพรามเหมือนกัน แล้วตามบาลีเรียกให้จำง่ายๆว่าจู ล, ละจู ล, ละคันธิยพราม <c oughs> ผู้เป็นอาก็บอกว่าทันทั้งสองจะไปบวชในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่ขอเธอคันธิยาพรามผู้เป็นน้องชายจงปกครองหลานสาวว่าให้ดีสมบัติทั้งหลายที่มีก็ขอมอบให้ทั้งหมด เนื้อแท่จริงๆมาคันิยาพรามผู้เป็นน้องและเป็นอาคขมนาขมพระนางมาคันธิยา <c oughs> เธอไม่มีปัญญาแล้วก็เธอไม่มีบทก็รับภาระในการเรลี้ยดูหลานสาวทางสองท่านตายายคือมาคันธิยาพรามกมาคันธิยาพรามมณีก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินาสีบริมศาสดาที่เมืองโกสัมพี หลังจากนั้นเมื่องค์สมเด็จพระจีนสีทรงเทศจบทั้งสองท่านก็บรร ล, ลุอรระาผลเป็นพระอริยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้ขออุป ส, สมบทบรรฑิชาสมเด็จพระอริมศาสนาก็ทรงตรัสว่าเอหิภิกขุนแปลว่าเจ้าจงพิพิษุมาเถิดเพียงเท่านี้เอาศัยความดีที่สร้างไว้ในการกร่อน หรือได้ถวายผ้าไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาจีวรสำเร็จด้รยฤกกระอยมาสมร่างกายสำหรับสองพราหมณ์จบเกมกันแค่นี้ <c oughs> ตอนนี้มาลูกสาวไม่จบแปล น, น่าพ่อกับแม่สองคนยังไงยังไงก็ไปนิพพานแน่แต่ว่าลูกสาวเนี่ยสัยที่มีจิตใจโกรธองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ้ายาวผูกอาคาดไว้ในใจ วันนั้นนะ่ะเธอไม่พูดแ่ใจคิดติดใจมาเส ม, มอว่าบปรุษภูนี้วิธีวินามาพระสมณาคโคดมจะเป็นสติร้ายสำหรับเราเมื่อไรถ้าเรามีโอกาสเมื่อนั้นจะสั่งพิ่ายเข็งค่งาอาสันพราวจาศิท่างกล่าวปราโมาเราบรรดาเพื่อนพิสุสมณนนีทั้งหลายและญาติโยมพุทธรริษัติ ตอนนี้พระจะกระถายจาย์ทั้งกล่าวถามขึ้นมาภายในในท้องเรื่องท <c oughs> ่านถามกันขึ้นหมายเองว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้พราหมณ์สองคนตายใหญ่เป็นพระอนาคามีแล้วก็องค์สมเด็จพระจินทรสีทรงตรัสอย่างนั้นว่าลูกสาวแสนสวยของพราหมณ์ ที่เขไมยกให้เป็นพัญญาท่านบอกว่าร่างกายนี้สกรปรกมากเต็มไปด้วยจาระเต็มไปด้วยปัสสาวะแม้แต่เท้าของเรายังไม่ยอมจะแตกเพราะเราเกรงว่าเท้าของเราจะสกรปรกไปด้วยท <c oughs> ่านก็ถามกันเองว่าอย่างนี้ก่อนก่อนที่องค์สมเด็จพระจินดาสียาทรงตรัสจะทราบไหมว่านางมาพ น, นางมาคดีญาณนี่จะโกรีดจะผลกอากาศ ท่านก็ตอบันเองในท้องเรื่องว่าองค์สมเด็จพระบรมโล ก, กนา่านทรงทราบว่าพูดอย่างนี้มาคันธิยาพรามณีขอโทษลูกสาวนะจะต้องโกรธจะต้องอาาหัวขาดโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระที่หมดกิเลสองค์สมเด็จพระบรมโลกาเชษตรไม่คํานึงถึงอันตราย ก่อนยเทศสงงคระบุคคลผู้ใดต้องการอย่างเดียวว่าวาจาชิ่นใดที่กล่าวไปแล้วด้วยความเป็นจริงถ้าบรรดามนุษย์ชายและหญิงและพิสูจน์สมเดรจะบรรลุธรรมพิเศษตั้งแต่ประสวดาวบันขึ้นไปท่านทรงพระรุรอย่างนั้นวาจาประเภทนั้นทำให้คำลุมาขนองค์สมเด็จพระทศพลจะตรัสวาจานั้นใครจะโกรธหรือใครจะไม่โกรธก็ช่างไม่คานึงถึง ตอนนี้ถ้าอย่างเราเราก็น่าจะคิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบแล้วพระองค์ก็จะต้องทราบต่อไปว่าพระนามบังคณิยานี่จะต้องจองล้างจองผลาญ <c oughs> องค์สมเด็จพระจิตตมานั้นต้องทราบต่อไปดีว่าจะต้องจองล้างจองผลาญคนที่เป็นสาวกอยู่ใกล้เคียงคนทั้งหลายเหล่านั้นจะมีอันตรายใหญ่ที่จะฟังกันในเบื้องหน้า แล้วก็บร น, นางบางคันยายเองก็จะต้องถูกฆ่าตายทั้งเป็นเชื้เนื้อแล้วก็ทอดด้วยน้ำมันบังคับให้กินต้องถูกทรมานอย่างหนักแล้วก็จำเมื่อตายแล้วต้องลงอเวจีมหานรกอย่างนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบไหมโดยในฐานน้าที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปิเป็นศัพท์อญูก็ต้องตอบว่าพระองค์ทรงทราบ แต่จะถามว่าถ้าทราบแล้วทําไมจึงจะพูดในเขาเมือันตรายอย่างนั้นข้อนี้ก็เข้าใจว่าองค์สมเด็จพระสงฆท่นทรงทราบเหมือนกันว่ากรรมกดของกรรมเข้ามาคันดียานียังไงยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นคื อ, อยังไงยังไงเธอก็ต้องอิจฉาทิศยาคนเพราะกฎของกรรมอกุโสนกรรมบังคับและในที่สุดนางก็ต้องถูกฆ่าตายแล้วตายต้องไปอเวจีมานรก แต่ว่าเธอจะต้องไปเวจีหมอนรกต้องถูกฆ่าตายแต่ตายไปเปล่าที่พ่อและแม่ทั้งสองคนจะไม่ได้ไม่ได้เป็นพระ อ, อริยเจ้าก็เห็จะขายความดีไปฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมาสันดานมทมี่ได้ชมธรริะว่าเราจะพูดอย่างนี้หรือไม่พูดอย่างนี้ <c oughs> มาคันดียาเธอจะต้องแต่งงานกับราชามีพระนามว่าพระเจ้าเทีน แน่ในที่สุดเธอก็ต้องทําความผิดถูกฆ่าและลงอเวจีมาหานรกฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาฯจึเจ้าจึงได้ทรงตัดสินใจว่ากรรมของเธอต้องเป็นอย่างนั้นเราใช้าทางที่ดีก็ให้พ่อและแม่เป็นพระอริยจเจ้าเช่นก่อนพราะเขาจะได้เป็นบุญบา ร, รมีพอฉะนั้นจึงทรงตัดอย่างนั้นหลังเมื่อพราหมณทั้งสองคือพราง ม, มาคันยาพราหมกมาคันยะพรามณี เป็นพระอาหารหันต์แล้วไปแล้วท่านมาคณิยะพรามผู้เป็นน้องชายของพราหมณ์ขุนอาขุนนางมังคติยายังได้นํานางมังคติย า, ปาไปจะไหวพระเจ้าเทียนบรมกษัตริย์เมืบาทเท่าเธอได้มอบหญิง 500. ห้าร้อยคือเมื่อตอนื่องว่าสุนทตายก็เหมือนกันนะท่านยอบมอบหญิงห้าร้อยเป็นบริวารแลวบรรดามังคติยาก็ตั้งเป็นอัครมเหสีเหมือนกัน มีหญิงห้ารเป็นบริวารและเรื่องเราไปตอนต้นข้ามามาคามิยาก็จบเพียงเท่านี้ในจบเพลงเท่านี้เวลาก็ไม่ยอมจบเท่านี้พ่อพอ ร, รีพูดถ้าจบเพื่อเลยมันก็เสียเรื่องวงความก็ขึ้นชี้วักรกข้องกรรมที่เป็นอัหุสนบรรดาแาาทนพุทธศาสนาในนิรมชนโปรดทราบ ก็มีทุกคนมานั่งหลายคนมานั่งบนวัฟชาตินี้ทาบุญกระทิ้งก็ถอดบ่นก่สร้างวิหารก่อสร้างาระก็สร้งางาพระปาก็ะถอดสังฆทานก็ถวายทำไมป่วยไข้ไม่สบายจย่เป็นบติพระทำไมจึงไม่ช่วยท่านอาจจะลืมไปว่าพระก็ป่วยเหมือนกันยังอาจจะมาผู้พูดเวลาพูดเวลานี้กำลังป่วยก็ป่วยตลอดปีไม่เคยเลิกป่วยสักที ให้การป่วยประเภทนี้นำมาเป็นกรรมของเราเองคือเนื่องจากปานาธิบาตให้ผล <c oughs> ไม่ใช่ก่อนเราเป็นคนไร้ความเมตตาปราณีฆ่าเขาทำร้ายเขากรรมนั้นมันก็มาสนองที่เราทางที่ดีมีอย่างเดียวคือสร้างความดีหนีความชั่วนั่นสมเด็จพระสัมม า, มากกสัมพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำไปแล้ว องค์สมเด็จพระปฏิบัแก้วทรงแนะนํำมาทุกคนจงเข้าใจตามความเป็นจริงไม่ว่าชายหรือหญิงที่เกิดมาในโลกนี้จะพบกับความทุกข์ที่เราเรียกกันว่าอริยสัจเรามีความทุกข์ถ้าเรจะเกิดอีกกีนชาติมันก็พบกับความทุกข์อย่างนี้ความทุกข์ที่มันมีมาเพราะอาศัยความไม่เที่ยงแต่เราคิดว่ามันเที่ยงร่างกายมันสุดสมกวันเราคิดว่ามันไม่สุดสม ทรัพ ส, สมบัติหามันได้มันต้องสลายตัวไปเพราะการใช้สอยแล้วก็คิดว่ามันจะไม่ไปพอมันโสงเข้ามันไปเข้าเราก็มันทุกข์เพราะยึดถือสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องดังนั้นเขบนาบันดญาติโยมพทธบริสัทผู้เป็นพี่และน้องคือในฐานะที่เป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันจงตัดสินใจว่าการเกิดชาตินี้เราจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายกรรมอะไรที่เราทาไว้มันจะตอบก็ยอมรับมัน ก็ยอมรับโทษแทนปานาธิบาต ท, ทําให้เราป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ยอมรับว่าฉันใช้นี่แก่ท่านี้นะโทษแทนอาทีนาทานทํำให้ขอนเราเสียหายแล้วก็ยอมรับว่าฉันใช้นี่แกชาติสุดท้ายนี่นะโทษกาเมสุเมชาจานทําให้คนใต้บังคับบัญชาด้วยด้านเราก็ยอมรับว่าฉันชําระนี่แกชาติสุดท้ายเพียงที่นะเท่านี้นะ โทษมูสาวาดมันทําให้เราเป็นคนพูดดีพูดจริงไม่มีใครเขาเชื่อก็ยอมรับว่าความชั่วของเราในชาติก่อนก็ชื่อว่าใช้นี่เป็นชาติสุดท้ายโลกปวดหัวโลคสมองศาสตโรกบ้าจะเป็นเกิดขึ้นมาในการใดก็ทราบว่าเป็นกรรมร้ายที่เราเคยดุมสุราได้ไม่ไรก็ยอมใช้มันเป็นชาติสุดท้ายหลังจากนี้เราจะไม่เกิดมาเป็นกรรมการเป็นการชดใช้กรรมมันอีก เราจะหลีกกรรมประเภทนี้คือหลีกอบายภูมิทั้งสี่คือหลีกนรกเปรตสุรกายสติฉันโดยยึดองค์สมเด็จพระจิตตมานพระธรรมและประสงค์เป็นที่พื่งยอมรับนับถือด้วยความจริงใจหลังจากนั้นทรงสินหหวบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจคิดว่าการเกิดเปนตนมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ถ้าต่อไปไม่มีสําหรับเราอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาทูตุศเจ้าทรงเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นปัศวดาบัน <c oughs> ถ้าเราทรงอารมณ์กับปัศวดาบันได้แล้วก็คิดไปตามที่องค์ ส, งสมเด็จพระพุทีธเจ้าทรงสอนว่ามนุษย์โลกเป็นทุกข์เราไม่ต้องการเทวโลกและพุทธโลกเป็นสุขทุกขลาวเราไม่ต้องการ สุดที่เราต้องการคือนิพพาน น, นกะพยายามพยายามกำจัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงให้พิ่น้าลงด้วยกําลังความดีของเราอรัมบรรดาพุตรบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เวลาบอกหมดเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความศักสิทสวัสดีพัฒนะมงคลสมบูรุญผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับบงังทุกท่านสวัสดี